ความหมายของอริยสัจในตถสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระมีพุทุพ์ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แหลเป็นของแท้อย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนไปได้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจ ภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวะทั้งมารทั้งพรหมในหมู่ประชาพร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวะและมนุษย์ฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัตว์เพราะเป็นสิ่งที่ตถาคตผู้เป็นอริยะได้ตรัสรู้และได้แสดงไว้ในสัมมาสัมพุทธสูตร สังยุตนิกายมหาวาระวัดมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ตามเป็นจริงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นามเรียกว่าเป็นอริยะที่แปลอย่างนี้ถือตามที่อ้างในวิสุทธิมักแต่ในบาลีฉบับอักษรไทยไม่มีคำว่าอริยะจึงต้องแปลว่า เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสีนี้ตามเป็นจริงตถาคตจึงได้นามเรียกว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะคัมภีวิสุทธิมักอ้างความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจ ร, รวมได้สี่นัยยะคือ 1. นสัจจะที่พระอริยะตรัสรู้ 2. อสัจจะของพระอริยะ 3. สัจจะที่ทําให้เป็นอริยะและสี่ สัจจะอย่างอริยะคือแท้แน่นอนสำหรับความหมายของอริยสัจในยะที่หนึ่งสัจจะที่พระอริยตัสรู้นั้นมิสุทธิมักอ้างบาลีมาแสดงด้วยว่าภิกษุทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายย่อมแทงตลอดซึ่งสัจจะเหล่านี้เหตุนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจแต่บาลีนี้ หาไม่พบในพระไตรปิฎกที่มีอยู่ส่วนความหมายของอริยสัจในยะที่ 4, สี่สัจจะอย่างอริยะคือแท้แน่นอนมีที่น่าสังเกตคือเราแปลอริยว่าประเสริฐจึงแปลอริยสัจว่าความจริงอย่างประเสริฐหรือความจริงอันประเสริฐแต่ของวิสุทธิมัจท่านแปลตรงตามพุทธพจน์ว่าความจริงที่แท้ สำหรับความหมายของอริยสัจแต่ละข้อพึงทราบตามบาลีในธรรมจักรกระปวัตนะสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจคือชาติหรือความเกิดก็เป็นทุกขชราความแก่ก็เป็นทุกขพยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกทมขกกมรณะคือความตายก็เป็นทุกข การประจวกกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกขการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกโดยย่อดโดยใจความอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันนำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันที่ราคะ ซึ่งครุ่นใครใ่าฝ่หาในอารมณ์ต่างๆได้แก่การมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือการที่ตัญหานั้นแลดับไปได้ด้วยการสำรอกออกหมดไม่มีเหลือการสละเสียได้สลัดออกพ้นไปได้ไม่หน่วงเหนียวพัวพัน ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิขยายความออกไปอีกเล็กน้อยดังนี้ 1. ทุกแปลว่าความทุกหรือสภาพที่ทนได้ยากได้แก่ปัญหาต่างๆของมนุษย์กล่าวให้ลึกลงไปอีกหมายถึง สภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งประกอบด้วยภาวะบีบคั้นกดดันขัดแยง้งขัดข้องมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวเองขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ไม่อาจให้ความพึงพอใจเต็มอิ่มแท้จริงพร้อมที่จะก่อปัญหาสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เสมอทั้งที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้ว และที่อาจเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อใดเมื่อหนึ่งในรูปใดรูปหนึ่งแก่ผู้ที่ยึดติดถือมั่นไว้ด้วยอุปาทานสทุกขะสมุทัยเรียกสั้นๆว่าสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นได้แก่ความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเป็นที่ตั้งโดยอาการที่มีเราซึ่งจะเสพ ที่จะได้จะเป็นจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้ชีวิตถูกบีบคั้นด้วยความเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายความหวงแหนเกลียดชังหวั่นกลัวหวาดระแวงความเบื่อหน่ายหรือความคับข้องติดขัดในรูปในรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่อาจปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระสดชื่นเบิกบานได้อย่างบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่รู้จักความสุขชนิดที่เรียกว่า ไร้ไฝ ฟ, ฟ้าและไม่อืดเฟอ 3. ทุกขนิโรธเรียกสันส้นๆว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชาสำรอกตัณหาสิ้นแล้วไม่ถูกตัณหาย้อมใจหรือฉุดลากไปไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกระวนกระวายความเบื่อหน่าย หรือความขับข้องติดขัดอย่างใดหลุดพ้นเป็นอิสระประสบความสุขที่บริสุทธิ์สงบปลอดโปรง่งโล่งเบาพองใสเบิก บ, บานเรียกสันส้นๆวาน่านิพพาน 4. ทุกขกนิโรธคามินีปฏิปทาเรียกสันส้นๆว่ามักแปลว่าปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่อริยอัดถังคิกามักหรือทางประเสริฐมีองค์ประกอบ8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเพราะเป็นทางสายกลางซึ่งดำเนินไปพอดีที่จะให้ถึงนิโรธโดยไม่ติดข้องหรือเอียงไปหาที่สุดสองอย่างคือการมาสุขขันลิานุโยคความหมกมุ่นในการมาสุขและอัตตกิลมัานุโย การประกอบความลำบากแก่ตนคือบีบคั้นทรมารตนเองให้เดือดร้อน